นั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนานี่ได้บุญหลายเพราะการทำใจให้สงบอันนี้นับว่ามีผลมีอา น, นิสงส์มากเพราะฉะนั้นอย่าพากันเกียกคร้านเราไม่ได้ลงทุนแม้แต่บาทเดียว เอาร่างกายนี้เป็นทุนนั่งสมาธิลงไปเอาความสงบใจนั่นเป็นกาไรพระพุทธศาสนานี้มุ่งความสงบเป็นที่ตั้งทำอะไรในพุทธศาสนานี้ ก็เพื่อมุ่งให้เป็นไปเพื่อความสงบดังจะชี้แจงให้ฟังการบริจาคทานมันก็เพื่อสงบระงับจิตนีจจากความโลภความหวงแหนต่างๆ ถ้าบุคคลมีความโลภความหวงแหนอยู่ในใจแล้วใจนั้นสงบลงไม่ได้เลยเพราะว่าความอยากมันไม่มีเวลาพอมันพอไม่เป็นถ้าปล่อยให้มันอยากไปแล้วมันก็อยากเรื่อยไปไม่มีการยุติลงได้ ที่จะยุติความอยากลงได้เพราะมาทำสมาธิภาวนาสกดจิตดรงนี้ให้มันเข้าถึงความสงบให้มันหยุดคิดหยุดอยากได้อะไรต่ออะไรลงไปมีทางเดียวเท่านี้ทางที่จะระงับความโลภความตณีความหวงแหนต่างๆ ลงไปได้การรักษาศีลให้บริสุทธิ์อันนี้ก็เพื่อให้จิตใจนี่สงบจากเวรจากภัยต่างๆหรือว่าสงบจากบาปอากุศลการภาวนานี่ก็เพื่อให้ ใจนี่มันสงบจากความหลงความเมาต่างๆไม่ไม่ปล่อยไม่ยอมปล่อยให้ความหลงมันครอบงำจิตใจนี่แหละการปฏิบัติในพุทธศาสนานี่มุ่งเพื่อความสงบระงับจากกิเลสตัณหาต่างๆดังกล่าวมานี่ แต่ความสงบอย่างว่านี่มันจะมีได้ก็โดยอาศัยความภาคเปลียนพยายามของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้นับถือพระพุทธศาสนานี้ก็พึ่งพากันภาคเปลียนพยายามไปอย่าถอยหลังถึงอย่างไร บุคคลผู้ที่จะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละถ้าใครไม่ปฏิบัติตามแล้วก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้จริงๆเพราะว่าความโรคความตณีต่างๆวันนี้มันไม่มีอะไรที่จะมาชำระมันได้นอกจากทานการให้การบริจาคเท่านั้น หรือว่าความถือสันตถีตามมีตามได้นี่แหละจิตใจปฏิบัติตามทรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้หมายความว่าเราแสเวงหาทรัพย์สมบัติต่างๆให้เต็มความสามารถของเราและอย่างนี้ได้มาเท่าไหร่เราก็ยินดี บริโภคใจ ส, สอยอยู่เท่านั้นแม้คนอื่นจะมีมากกว่าก็ไม่คิดอิจฉาหรือเสียเขาไม่คิดจากได้ของเขาโดยมานึกว่าเขาทำบุญกุศลมาแต่ชาติก่อนมากบุญนั่นแหละมาอำนวยผลให้เขาร่ำรวยให้เขาเจริญด้วยโพคสมบัติต่างๆ ไอเรานั้นแต่ชาติก่อนคงจะทำบุญมาน้อยมาเกิดมาในชาตินี้จึงไม่ร่ำรวยเหมือนอย่างคนที่เขาร่ำรวยมากๆนั้นเอาละถ้าอย่างนั้นต่อ น, นี้ไปเราจะพยายามทำบุญกุศลให้มากขึ้นไปโดยลำดับถ้าเผื่อว่าได้ท่องเที่ยว เกิดตายอยู่ในวัฏะะสงสารนี่ก็ให้ได้รับความสุขความเจริญทั้งสองอย่างคือให้เจริญด้วยทรัพสมบัติภายนอกให้เจริญด้วยทรัพย์ภายในคือสติปัญญาความรู้ความฉลาดสา ม, มารถละกิเลสบาปประทรมต่างๆ ให้น้อยเบาบางไปจากดวงจิตนี้ให้ได้เราตั้งใจลงไว้อย่างนี้แล้วบำเพ็ญบุญกุศลไปบุญกุศลนี่ก็จะอำนวยผลให้ตามเจตนาลมที่เราต้องการเราบำเพ็ญบุญกุศลไม่ใช่เพื่ออย่างอื่น เพื่อลักกิเลตัณหาเท่านั้นเราแสวงหาทรัพย์สินเงินทองก็ไม่ใช่เพื่อไปอวดอ้างใครเพื่อไปแข่งกับใครแสวงหาเงินทองเข้าของก็เพื่อให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ตนก็ได้แก่ เอามาบำรุงอัตภาพร่างกายนี่แหละเพราะร่างกายนี้มันเป็นอยู่ด้วยปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นมีหยุกยาเป็นที่สุดจิงค่อยเป็นอยู่ไปได้ร่างกายนี้ถ้าขาดปัดจจัยทั้งสี่นี้แล้วก็เป็นอยู่ไปไม่ได้จริงๆเช่นอาหารอย่างนี้กระจำเป็นต่อชีวิตจริงๆ ร่างกายนี้ถ้าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงล้วก็อยู่ไม่ได้ผ้าหนุ่งผ้าห่มก็เป็นของจำเป็นเราจะไปอยู่อย่างสัตว์เดรัจานนั้นไม่ได้เลยเพราะร่างกายมันละเอียดมันหยาบต่างกันสัตวิรฉ า, านนั้นร่างกายมันหยาบมันยิงสู้กับภัยธรรมชาติต่างๆมีเย็นร้อนเป็นต้นได้ ส่วนร่างกายมนุษย์เราเนี่บุญกรรมตกแต่งให้ละเอียดกว่าสัตว์เดรัจฉานนั่นสำหรับที่เป็นภาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลเอามรผลธรรมวิเศษได้ส่วนสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่มีศิทธ์ที่จะได้บรรลุมรผลธรรมวิเศษอในคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เลย ดังนั้นอัตภาพร่างกายอันนี้ถึงแม้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราก็จริงอยู่แต่เราก็ได้อาศัยมันสั่งสมบุญกุศลมาในวัฏฏะสงสารนี่สำหรับผู้ที่ไม่พรหมาทเนี่ยผู้ที่จะมาสั่งสมบุญกุศลในโลกนี้ มันต้องได้อัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์นี้ถ้าเป็นอย่างอื่นแล้วสั่งสมบุญกุศลไม่ได้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้สร้างบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้มาถือเอาคำเนิดมันเป็นมนุษย์นี่แหละชาติแล้วกว็าชาติเล่ามาสร้างบารมีสิบประการให้บริบูรณ์ ขึ้นในพระันทสันดานได้มาสัตวรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่มีขันห้าครบท้วนบริบูรณ์นี่เพราะฉะนั้นให้พากันเห็นความสำคัญของอัตภาพร่างกายหรือว่าขันห้านี่ไม่ใช่ว่าเราได้มาง่ายๆนะเราต้องทำความดีต่างๆมาแต่ชาติก่อนโน้น ฝึกกายฝึ ก, กวาจาให้เป็นผู้สำรวมด้วยดีไม่ไปเบียดเบียบนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้ลมให้ตายหรือให้เป็นทุกข์เดือดร้อนต่างๆมูนี่สัตว์ดีัจฉานแม้ตัวลเล็กโดยน้อยเราก็ให้อภัยมันไปไม่ทำให้มันล้มมันตาย เพีนเสียแต่มองไม่เห็นเนี่ยเมื่อเมื่อได้ฝึกกายแล้วก็ฝึ ก, กวาจาให้เรียบร้อยอย่าไปเจตนาที่จะพูดเท็จพูดเรื่องไม่จริงต่างๆให้คนหลงเข้าใจผิดในคําพูดของตนไปเมื่อภายหลังเขารู้ว่าเราพูดเท็จกับเขาเขาก็เสียใจ เขาก็เป็นทุกข์บางคนก็พยาบาทซ้ําเป็นไรหาทางตอบแทนแก้แค้นอืนี่แหละเพราะว่าทุกคนนั้นไม่ชอบความไม่จริงเนี่ยไม่มีใครชอบเลยชอบแต่ความจริงดังนั้นนะไม่ควรที่จะเอาวาจาอันไม่จริงนะี่ไปให้คนอื่นเขา เมื่อเราก็ไม่ชอบเหมือนกันมเมื่อเราไม่ชอบอย่างนี้แหละจะเอาไปให้คนอื่นเขาก็ไม่ชอบเหมือนกับเรานี่แหละเขาไม่เอาแล้วความเรื่องไม่จริง อ, อย่าไปเที่ยวพูดส่อเสียดยุยงให้คนอื่นแตกท้าสามัคคีกันพูดแต่คาําตมหนสามัคคีกันเช่นอย่าง ญาติพี่น้องทะเลาะวิวาทกันเราเป็นคนกลางไกลเกียร์ไม่เข้าข้างกับใครพยายามหาเหตุผลมาชักโน้มน้าวจิตใจของญาติพี่น้องให้ปองรองสามัคคีกันหรือมิตรสหายเพื่อนบ้านก็เหมือนกันเนี่ยเราต้องหาหนทางช่วยเหลือกันให้รักษาความสามัคคีไว้ให้ได้ เ้วก็ไม่ควรที่จะพูดคาหยาบโลนต่างๆซึ่งเป็นคาที่แหลงใจของผูด้ได้ยินได้ฟังแล้วก็ไม่ควรพูดเปิดเจอเรียวไรไม่ควรพูดมากเกินขอบเขตเพราะคนเรานี่ถ้าพูดไปมากๆแล้วมันก็มีทางโกหกได้อยู่เหมือนกันนะนเปเนงั้น เพราะฉะนั้นเนะ่ะโบราณท่านจึงกล่าวไว้ว่าถึงพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสช้อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วตัวก็ตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูจจาวาจาของคนเราเนี่สสำคัญท่านนักปราชญ์ท่านจึงยกให้วาจาที่เป็นเอก เลขนั้นเป็นโทรหนังสือเป็นตรีนี่ความสำคัญของวาจานี่มีมากทีเดีย ว, ะวอะเพาะะนั้นทุกคนต้องรักษาวาจานี้ไว้ให้ดีอืมเราพยายามหัดพูดไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหัดเป็นคนพูดจริงหัดเป็นคนพูด ประสานสามัคคีกับเพื่อนฝูงให้เป็นห mm hmm. ัดเป็นคนพูดอ่อนโยนอ่อนหวานให้ได้หัดเป็นคนพูดพอประมาณเดียวพูดมีเหตุมีผลไม่ควรพูดเล่น mm hmm. พูดเลาะและเร็วไหลไม่มีประโยชน์อะไร ถ้าว่าเราฝึ ก, กวาจานี้ให้ดีแล้วบุญกุศลมันก็เกิดทางวาจานี้ได้เหมือนกันเพราะวาจากับใจมันเนื่องกันใจเป็นอย่างไรมันก็บัญชาวาจาให้พูดออกมาอย่างนั้นถ้าใจมันรู้ธรรมเห็นธรรมอย่างว่ามานี่มันก็บัญชาให้วาจาพูดดีพูดงาม สำเร็จเป็นประโยชน์ตนและพวกอื่นได้เพรา ะ, ะนั้นจึงว่าการพูดดีนี่เป็นบุญเป็นกุศลนะในกุศลกรรมบทสิบนั้น <c oughs> การทำดีก็เหมือนกันเป็นบุญเป็นกุศลในการที่บุคคลจะมาทำจิตให้สงบรังหับลงได้นี่มันก็ต้องชำระสาสารกายวาจานี่ ให้มันสะอาดปราศจากอากุศลธรรมต่างๆก่อนเพราะว่ากายวาจาก็มีจิตเป็นใหญ่เป็นประธานการแสดงออกทางกายทางวาจาดีงามก็ดีหรือไม่ดีไม่งามก็ดีมันก็ส่อเข้าไปถึงดวงจิตน่นะเมื่อจิต ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมอาการกายวาจาก็เรียบร้อยดีถ้าจิตไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมอาการกายวาจาก็ไม่เรียบร้อยมักจะเกะกะ ร, กรานผู้อื่นก่อความไม่สงบในสังคมอะไรมูนี้มันล้วนตั้งแต่มาจากดวงจิตทั้งนั้นเลยถ้าจิตไม่ดีแล้ว กายวาจาก็ไม่ดีดังนั้นเนี่ยเมื่อบุคคลมาฝึกกายวาจาให้เรียบร้อยเข้าไปแล้วใจมันก็เรียบร้อยไปตามกันใจมันก็อ่อนโยนนิ่มนวลมีเมตตากรุณาอยู่ในใจมันจึงสามารถฝึกกายวาจาให้เรียบร้อยได้เนี่ยเมื่อ มีคุณธรรมดังกล่าวนี้แล้วการเจริญสมาธิภาวนามันก็ทำใจให้สงบได้ง่ายหมายความว่าเมื่อชำระบาปอากุศลออกจากกายวาจาได้แล้วอย่างนี้นะมันก็เท่ากับ ว, ว่าชาระบาปออกจากใจนั่นแหละเพราะว่าใจเป็นใหญ่เป็นประธานของกายวาจาดังกล่าวแล้ว เมื่อบาปอากุศลระ ง, งับไปจากจิตนี้แล้วจิตนี้ก็เบิกบานผ่องแผ้วเมื่อเราน้อมลงสู่ความสงบมันก็สงบได้ดีไม่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปทางอื่นขึ้นเชื่อว่าบุคคลผู้มีบุญมีกุศลอยู่ในใจแล้ว ย่อมเป็นคนใจดีใจเย็นไม่ใช่เป็นคนใจร้อนแล้วก็มีจิตไป่ฟุ้งซ่านคนบุญนะคนใจบุญนะดังนั้นแหละก็จึงสามารถน้มจิตลงสู่สมาธิภาวนาได้ง่ายนีย่ขอให้เข้าใจการภาวนาสมาธินี่มันจะเป็นไปได้นั้น ต้องอาศัยศีลโน้นสนับสนุนนะ่ะมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าไม่ต้องอาศัยศีลสนับสนุนแล้วใช้ทุกคนก็ภาวนาเป็นกันหมดแหละไม้ว่าคนทำบาปทำกรรมอะไรมาอย่างนี้ก็มาภาวนาเป็นเหมือนกันอย่างนี้นะมันก็มันก็ได้เหมือนกันหมดแหละ แต่นี้คนที่ไม่รักษาศีลแล้วจะจะมาภาวนาไม่ได้เลยเพราวะว่ามันบาปอากุศลมันรบกวนจิตใจให้ดิ้นรนเดือดร้อนพุ่งส้านไปเรื่อยๆไปมันจึงสงบไม่ได้เมื่อฟังทั้งหลายมาเข้าใจหรือมาเห็น อั น, นสงแห่งความสงบดังกล่าวมานั่นแล้วหวังว่าคงจะมีความยินดีพอใจต่อความสงบเป็นอย่างยิ่งเ mm. มือ่อผู้ใดมีความพอใจต่อความสงบดังกล่าวมานั่นแล้วได้ชื่อว่าดำเนินตามทางมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติสายกลาง ไม่ยิ่งเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปพอดีพอดีก็พอที่จะสามารถทำจิตใจให้เป็นกลางลงได้การทำจิตให้เป็นกลางนี่แหละนับว่าเป็นหนทางไปสู่มรรคผลธรรมวิเศษได้เหมือนอย่างที่ในโพชงเกตนะน่ะ ตั้งแต่สติสัมโพชงไปจนถึงอุเบกขาสัมโพชงสุดท้ายพระองค์เจ้าก็ตรัสว่าเป็นธรรมเครื่องตัดสรุมขลธรรมวิเศษดังนั้นการทำจิตให้เป็นอุเบกขาพร้อมด้วยญาณความรู้ความเห็นแจ้งในสรรพสังขารทั้งหลายเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อย่างนี้นี่จึงชื่อว่าเป็นเหตุให้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาไปได้โดยแท้จริงเพราะฉะนั้นจึงสมควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรจะใช้อัถภาพร่างกายอันนี้ บำเพ็ญบุญกุศลดังกล่าวมานั่นให้เกิดแท้มีขึ้นในตนเพราะการได้อัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์นี่นับว่าเป็นภาชนะทองสามารถที่จะรองรับเอาบุญเอากุศลเอามกผลรรมวิเศษได้จริงๆถ้าไม่ได้ชาตินี้ก็จะไปได้ในชาติต่อไป ถ้าเราไม่ทำก็จะไม่ได้เสียเลยชาติได้ก็ไม่ได้นั่นแหละมนุษย์จะทำทำของมนุษย์ก็ได้แก่สินห้าประการนี่แหละทำของมนุษย์หมายความว่ามนุษย์พูดยังสร้างบุญบารมียังไม่เต็ม ยังท่องเที่ยวอยู่ในวัตาสงสารนี่ก็ต้องเอาสินห้านี่เป็นคู่กับชีวิตไปในสงสารผู้ใดได้สินหานี่ติดตัวไปแล้วก็ไม่ลำบากเลยนั่นนะก็ดังในท้ายของสินนั่นนะสีเลนะสุขะติงยันติผู้มีสินจกไปสู่สุขติโลกสวรรค์ สีเลนาโพคสัมปทาผู้มีศีลจักสมบูรณ์ด้วยโพคสมบัติสีเลนนิปุทิงยันติผู้มีศีลจักเป็นผู้มีความสามารถบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้ในวาระสุดท้ายลองพิจารณาดูอนุภาพแห่งศีลนี่นะ สามารถส่งบุคคลให้ถึงซึ่งพระนิพพานได้โดยเหตุผลแล้วนัว่าเป็นความจริงเพราะเมื่อบุคคลมีศีลได้อย่างนี้มันไม่มีบาปอยู่ในตัวเมื่อไม่มีบาปอยู่ในตัวแล้วทําอะไรพูดอะไรไปก็เป็นบุญกุศลทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะว่าเราเว้นทางบาปแล้วนี้ เราเลือกทำแต่ทางที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษอย่างว่าบุคคลทำนาทำสวนทำราชการก็ดีทำการค้าการขายก็ดีเมื่อได้เงินได้ทองมาแล้วเราก็มาแบ่งสรรปันส่วนใช้สอยให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเป็นต้นว่า เลี้ยงมารดาบิดาบุตรภรรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุขเลี้ยงเพื่อนฝูงที่มาเยี่ยมเ ย, ยนให้เป็นสุขเ อ, อแล้วส่วนหนึ่งก็เก็บไว้สําหรับบําบัดอันตรายที่เกิดจากเหตุต่างๆแล้วก็ทําพรีหรือว่าอุทิศทําบุญอุทิศกุศลไปให้แก่เปตญาติทั้งหลายเล้๋ยวก็ถวายทานแก่สมณพราหมณ์ผู้ประเพิดชอบ นี่ทรัพสมบัติต่างๆเมื่อสเสวงหาได้มาแล้วเรารู้จักแบ่งสรรปันส่วนใช้สอยมันก็ย่อมเกิดเป็นประโยชน์อย่างนี้แหละไม่ใช่ว่ามันเป็นโทษนะอันผู้ที่แสวงยหาทรัพสมบัติไดมาแล้วมีแต่ห่วงแต่ห่วงมีแต่ตนันหนอย่างเดียวถ้าจะใช้จ่ายไปอะไรก็กลัวมันจะหมดจะสิ้น เลยมีแต่หวงไว้เป่าๆ เ, เช่นนี้แล้วทรัพย์สมบัตินั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่เจ้าของเลยท่านอุปมาไว้อย่างหนึ่งเหมือนกับสุนักไปนอนบนกองข้าเปลือกคลายก็คลายหิวก็หิวกินไม่ได้เพราะมันคายมันมีเปลือกหุ้มเมล็ดข้าวอยู่ นี่ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยบุคคลผู้มีทรัพย์สมบัติมากๆนั่นแล้วมีความหวงแหนมีความเสียดายมากจนว่าใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นไม่ได้มันก็ฉันนั้นแหละดังนั้นนะการที่คนเรานะ่ะมาได้อาศัยอัตภาพร่างกายอันนี้ อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วแม่จะอยู่ครองเรือนก็สามารถสั่งสมบุญกุศลได้ตามอัตภาพของผู้ครองเรือนผู้เป็นนักบวชก็สามารถสั่งสมบุญกุศลให้เกิดให้มีขึ้นในตนได้จนตลอดถึงได้บรรลุมรคนธรรมวิเศษอันนี้ผู้ครองเรือนก็มีสิทธิ์ที่จะบรรลุได้ เมื่อมีศีลระดับกายวาจาใจของตนแล้วสั่งสมบุญกุศลอะไรมันก็เป็นแต่บุญล้วนๆเลยบาปไม่มีดังนั้นบุญมันก็มากขึ้นโดยลำดับบําเพ็ญสมาธิภาวนาก็สงบระงับได้ดีเพราะว่าไม่มีบาปมารบ ก, กวนจเจริญปัญญาก็ได้คล่องแคล่วดีพิจารณาอะไรก็ทะลุกุบก่งไป โดยสรุปแล้วก็เรียกว่าพิจารณาสังขารนามรูปนี่ก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอ น, นัตตาได้โดยแจมเจ้งพยายามปรงพยายามวางขันห้านี้ลงเลื้อยไปไม่ถือว่าเป็นของเรานี่เป็นหนนทางพ้นทุกข์ภายในสงสารดังแสดงมา